ฝายพระราชธิดาตรัสสั่งราชบุรุษคนหนึ่งเพื่อจะทรงทดลองพระมหาสัตว์นั้นโดยสัญญาที่มีมาก่อนว่าเจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าพระนางศีวลีเทวีรับสั่งให้หาจงรีบเสด็จไปเฝ้าอามาตนั้นก็ไปกราบทูลพระราชาดังนั้นพระราชาแม้ได้ทรงฟังคำอามาตนั้นก็แสร้งเป็นเหมือนไม่ได้ยิน รัชชมปราสาทเสียว่าโอปราสาทงามเพราะความที่พระองค์เป็นบัณฑิตราชบุรุษนั้นเมื่อไม่อาจให้พระราชาทรงสดับคํานั้นจึงกลับมาทูลพระราชธิดาวา่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระราชาไม่ทรงฟังคาของพระแม่เจ้ามัวแต่ทรงชมปราสาทไม่ทรงสนพระไพระวาจาของพระแม่เจ้าเหมือนคนไม่สนใจต้นหญ้าฉนั้น พระจาตธิดาทรงคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่ทรงราชบุุษให้เชิญเสด็จมาอีกถึงสองครั้งสามครั้งทีเดียวแม้พระราชาก็เสด็จไปโดยปกติตามความพอพระราชหฤทัยของพระองค์ขึ้นสู่ปราสาทเหมือนพยาราชสีเยื้องกลายฉะนั้นเมื่อเสด็จใกล้เข้ามา พระศีวลีเทวีราชธิดาไม่อาจดำรงพระองค์อยู่ได้ด้วยพระเดชานุภาพแห่งพระมหาสัตว์จึงเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรนพระมหาสัตว์ก็ทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดาขึ้นยังพระที่นั่งประทับณราชบัลลังก์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรตรัสเรียกอำมาตย์ทั้งหลายมารับสั่งถามว่าท่านอมาตย์ทั้งหลาย เมื่อพระราชาของพวกท่านจะเสด็จสวรรคตได้ตรัสสั่งอะไรไว้บ้างเมื่ออมารทั้งหลายกราบทูลว่าได้ตรัสสั่งไว้บ้างจึงโปรดให้อมารเล่าถวายอมารทั้งหลายจึงกราบทูลว่าพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตรัสสั่งไว้ดังนี้ 1. หให้มอบราชสมบัติแก่ท่านผู้ที่ทำให้พระราชธิดาพระนามว่าศีวลีเทวีโปรดปรานได้พระราชาตรัสว่าพระนางศีวลีราชธิดาเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรของเธอแล้วข้อนี้เป็นอันว่าเราได้ให้พระราชธิดาโปรดปรานแล้วท่านจงกล่าวข้ออื่นต่อไป 2. ให้มอบราชสมบัติแก่ท่าน ผู้สามารถทราบหัวนอนแห่งบรลังสี่เรียมว่าอยู่ด้านไหนพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าข้อนี้รู้ยากแต่ก็อาจรู้ได้โดยอุบายจึงทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรประธานที่พระหัตพระนางศีวลีมีรับสั่งว่าเธอจงวางเข็มทองคํานี้ไว้พระนางศิีวลีราชธิดา ทรงรับเข็มทองคำไปวางไว้เบื้องหัวนอนแห่งบาลังนั้นบางอาจารย์กล่าวว่าพระมหาสัตว์ประธานพระขันให้พระราชธิดาไปวางพระมหาสัตว์ทรงทราบว่าข้างนี้เป็นหัวนอนด้วยความหมายนั้นทรงทำเป็นยังไม่ได้ยินถ้อยคำนั้นจึงตรัสถามว่าท่านว่าไรครั้นโมอมาม์ตกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงรับสั่งว่า การรู้จักหัวนอนบาลังสี่เหลี่ยมไม่อัศจรรย์ด้านนี้เป็นหัวนอนท่านทั้งหลายจงกล่าวข้ออื่นต่อไป 3. ให้มอบราชสมบัติแก่ท่านผู้ยกธนูอันมีน้ำหนักหนึ่งพันปัละขึ้นได้พระมหาสัตว์ตรัตรสสั่งให้นำธนูนั้นมาแล้วประทับนราชบาลังนั้นเองทรงยกสหัสสถธะธนูนั้นขึ้น ดุดทรงยกกงดีดฝ้ายของหญิงทั้งหลายฉะนั้นแล้วโปรดให้เล่าข้ออื่นต่อไป 4. ให้หมอบราชสมบัติแก่ท่านผู้นำขุมทรัพย์16บแห่งออกให้ปรากฏพระมหา a ัตรตร ถ, ถามว่าปัญหาอะไรๆเกี่ยวกับขุมทรัพย์นั้นมีอยู่หรือไม่เมื่อพวกอมาตยกราบทูลปัญหาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ว่ามีขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นต้น พอพระองค์ได้ทรงสดับปัญหานั้นแล้วเนื้อความก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ่นลอยเด่นอยู่ณท้องฟ้าฉะนั้นครั้นแล้วพระมหาสัตว์จึงตรัสว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราจะชี้ขุมทรัพย์ในที่ทั้งหลายนั้นนั้นรุ่งขึ้นพระมหาสัตว์ให้ประชุมเหล่าอมารแล้วตรัสถามว่า พระราชาของพวกท่านนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าให้มาฉันบ้างหรือไม่กราบทูลว่าขอเดชะเคยนิมนต์ให้มาฉันบ้างพระมหาสัตว์ทรงดําริว่าดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นนี้ดวงอาทิตย์หมายเอาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเพราะมีคุณเช่นดวงอาทิตย์คุ้มทรัพย์คงมีในสถานที่ต้อนรับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้น ระมหาสัตว์จึงตรัสถามว่าเมื่อพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายมาพระราชาเสดไปต้อนรับตรงไหนเมื่ออมาตย์กราดทูลว่าขอเดชะตรงนั้นก็ตรัสสั่งให้ขุดที่นั้นนำคุมทรัพย์มาได้จึงตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเสดไปส่งพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเวลากลับเสด็จประทับยืนตรงไหน เมื่อทรงทราบว่าที่ใดแล้วก็โปรดให้ขุดที่นั้นนำคุมทรัพย์ออกมาได้มหาชนก็โห่ร้องเสงียแท่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญารู้สึกปีติสมนัตว่าชนทั้งหลายเที่ยวขุดณทิศ ท, ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะปัญหากล่าวว่าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเที่ยวขุดในทิศ ท, ที่ดวงอาทิตย์ตกเพราะปัญหากล่าวว่าที่ดวงอาทิตย์ตก แต่ขุมทรัพย์มีอยู่ในที่นี้เองโออัศจรรย์เนอแปลกหนอพระมหาสัตว์ตรัสให้ขุดนําคุมทรัพย์มาแต่ภายในธรณีแห่งพระทวารใหญ่ของพระราชฐานได้เพราะปัญหาว่าคุมทรัพย์ภายในให้ขุดนําคุมทรัพย์มาแต่ภายนอกธรณีแห่งพระทวารใหญ่ของพระราชฐานได้เพราะปัญหาว่าคุมทรัพย์ภายนอก ให้ขุดนำขุมทรัพย์มาแต่ข้างล่างพระธรณีแห่งพระทวานใหญ่ของพระราชฐานได้เพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกให้ขุดนำขุมทรัพย์มาแต่ที่เกยทองในเวลาเสด็จขึ้นประทับมงคลหัตถีได้เพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ขาขึ้นให้ขุดนำขุมทรัพย์มาแต่ที่เสด็จลงจากคอช้างได้เพราะปัญหาว่า คุมซับขาลงให้ขุดนําหม้อซับทั้งสี่หมอ้อมาแต่ภายใต้ไม้รังทั้งสี่แห่งอันเป็นเท้าพระแทน่นบรรทมอันเป็นสิริซึ่งตั้งขึ้นมาแต่พื้นดินได้เพราะปัญหาว่าคุมซับที่ไม้รังใหญ่ทั้งสี่ให้ขุดนำหม้อซับทั้งหลายมาแต่ที่ประมาณชั่วแอกโดยรอบพระที่สิริสยายญาตโดยวิธีนับชั่วแอกรดลดประมาณโยอดหนึ่งได้ เพราะปัญหาว่าคุมทรัพย์ในที่ยดหนึ่งโดยรอบให้ขุดหม้อรั์ทั้งสองในสถานที่มงคลรหัตถีแต่ที่เฉพาะหน้าแห่งงาทั้งสองแห่งช้างนั้นมาได้เพราะปัญหาว่าคุมทรั์ใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองให้ขุดคุมซั์ในที่สถานที่มงคลรหัตถีแต่ที่เฉพาะหน้าแห่งปลายหางของช้างนั้นมาได้เพราะปัญหาว่าคุมซั์ที่ปลายหาง ให้วิทย์น้ำในสระมงคลบกกรณีแสดงลุมทรัพย์เพราะปัญหาว่าคุมทรัพย์ที่น้ำให้ขุดหม้อคุมทรัพย์มาแต่ภายในเงาต้นไม้มีปริมณฑลเวลาเที่ยงวันตรงที่โคนไม้รังใหญ่ในพระราชอุทยานได้เพราะปัญหาว่าคุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายไม้พระราชาให้นำคุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16มาได้แล้วตรัสเทอมว่า ปัญหาอื่นอะไรยังมีอีกหรือไม่อมาตทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ามหาชนต่างร่าเริงแล้วยินดีแล้วว่าโอ้อัศจรรย์พระราชาองค์นี้เป็นบัณฑิตจริงๆลำดับนั้นพระราชาทรงดำริว่าเราจะกระจายทรัพย์นี้โดยวิธีให้ทานจึงโปรดให้สร้างศาลาโรงทานหกแห่ง คือท่ามกลางพระนครหนึ่งที่ประตูพระนครทั้งสี่และที่ประตูพระราชนิเวศหนึ่งโปรดให้เริ่มตั้งธนวัตรพระราชาโปรดให้เชิญพระมารดาและพรามมาแต่กาละจำปากระนครทรงทำสั ก, การะเป็นการใหญ่เมื่อประมหาสัตว์ทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติในการเมื่อพระองค์ยังทรงเป็นดรุณราชกุมาร ชาววิเทหรัฐทั้งสิ้นเ อ, อกเกเริกันเพื่อจะได้เห็นพระองค์ด้วยคิดว่าพระราชโอรสพระเจ้าอริทธชนกราชทรงพระนามว่ามหาชนกราชครองราชสมบัติพระองค์เป็นพระราชาผู้บัญดิตฉเฉลียวฉลาดในอุบายเราทั้งหลายจักเห็นพระองค์แต่นั้นมาชนเป็นอันมากพร้อมกันนำเครื่องบรรณาการถวาย มีมโหระพบใหญ่ในพระนครลาดเครื่องลาด ท, ที่ทําด้วยฝีมือเป็นต้นในพระราชนิเวศห้อยพวงของหอมพวงดอกไม้เป็นต้นโปรยปลายข้าวตอกทำเครื่องอุปกรณ์ดอกไม้เครื่องอบทูบและเครื่องหอมจัดตั้งไว้ซึ่งน้ําและโภชนาหารมีประการต่างๆในภาชนะเงินภาชนะทองคํา เพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการทวายพระมหาสัตยาวยืนแวดล้อมอยู่ในที่นั้นๆมูอมาดเฝ้าอยู่ณปรมหนึ่งมูพร้อมเฝ้าอยู่ณปรมหนึ่งมูเศรษฐีเป็นต้นปรมหนึ่งเล่ายิงนักฟ้อนรำทรงรูปโฉมปรมหนึ่งปอยพร้อมทั้งหลายก็พร้อมกันสาทยายมนเพื่ออำนวยสวัสดีเราผู้กล่าวชัยมงคลก็พร้อมกันร้อง ถวายชัยมงคลกึกก้องเราผู้ชำนาญการขับร้องเป็นต้นก็พร้อมกันขับเพลงถวายอยู่อึงมีชนทั้งหลายก็บรรเลงดนตรีเป็นร้อยร้อยอย่างอยู่ครามครันพระราชนิเวศบางสถานก็บรรลือลั่นสนันศัพท์สำเนียงเป็นเสียงเดียวกันปางทองมหาสมุทรถูกลงพัดมาแต่ขุนเขายุคคนอนโหมกระนำแล้วฉะนั้น สถานที่ซึ่งพระมหาสัตว์ท่าพระเนตรแล้วท่าพระเนตรแล้วก็กำปน้าดวันไหว